ยังอยู่และควรทำอะไรดีหัวข้อรู้จิตตอนรู้สภาพจิตพุทธพจน์หเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ 2. เมื่อจิตมีโทสะก็รู ener, ้ว่าจิต <Mighty> มีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะสเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะสจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งส่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน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 คือจิตมีราคะอีกทางมาหนึ่งคือผุดความคิดทางเพศขึ้นมาแล้วเรายินดีตรึกนึกต่อกระทั่งเกิดอาการกระโจนเข้าไปวหายวนในห้วงจินตนาการทางกามารมณ์อาการนั้นเช่นกันที่จิตมีราคะหากรู้สึกตัวในทันทีที่จิตมีราคะราคะจะถูกแทนที่ด้วยสติ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 คือไม่พูดจาหรือลงไม้ลงมือประทุษร้ายใครทันทีความยับยั้งชั่งใจนั่นเองส่งผลให้เกิดสติรู้ตัวอย่างอ่อนอ่อนคือรู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอยู่แต่การรู้สึกตัวของคนธรรมดาว่ามีโทสะอยู่ในจิตนั้นเป็นไปด้วยอาการควบคุมตนเองมิให้หลุดคำพูดหรือการกระทําที่เกินเลยออกไป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 ในวูบแรกของการเกิดโทสะจึงย่อมไม่ถลำไปอยู่กับความร้อนของโทสะเต็มที่ความร้อนของโทสะจะเกิดขึ้นเพียงแผ่วพอให้ระลึกได้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอ่อ น, ออนเมื่อเกิดสติเท่าทันว่าขณะนี้จิตมีโทสะโทสะย่อมปรากฏเป็นส่วนเกินเป็นของแปลกปลอมเป็นของอื่น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 แห่งรูปนามใดๆ 4. รู้ว่าจิตหดหูหรือฟุ้งซ่านความหดหูคืออาการซึมทื่อหรือห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานมีความหยุดกับที่ชาเฉยกับที่อาการเหม่อลอย หรือขี้เกียจเคลื่อนไหวจัดเป็นความหดหูอย่างอ่อนส่วนความซึมเศร้าหมดอะไรตายยากสิ้นหวังในชีวิตนับเป็นความอหดหูขนาดหนักความฟุ้งซ่านคืออาการที่จิตไม่สงบมีความพลานไปซัดสายไปอาการคิดวกวนไม่เป็นเรื่องนับเป็นความฟุ้งซ่านอย่างอ่อนส่วนความตื่นเต้นหรือเครียดจัดนับเป็นความฟุ้งซ่านขนาดหนัก ทั้งความหดหู่และความฟุ้งซ่านต่างเป็นสภาพจิตที่เอามาใช้การยากและจับอะไรไม่ค่อยติดและภาวะหดหู่กับภาวะฟุ้งซ่านก็เป็นภาวะที่ลากจูงกันมาเช่นถ้าปล่อยใจเหมื่อลอยหรือแช่จมกับอารมณ์เบื่อสักพักจะเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจและพอฟุ้งซ่านราคาญใจจนเหนื่อยก็กลับอ่อนเพลียเหนื่อยนาย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 เช่นเร่งความเพียรในการจงกรมหรือออกกําลังหนักๆให้ได้เหงื่อร่างกายจะกระชุ่มกระชวยขึ้นจนหลุดจากความหดหู่ได้ถ้าฟุ้งซ่านจัดก็ต้องแก้ด้วยการสร้างปัจจัยของความสงบต่างๆเช่นเข้าหาบรรยากาศวิเวกลากลมหายใจยาวๆผ่อน ล, ลมหายใจช้าๆและหยุดหายใจนาน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 กายก็ปรากฏเป็นของเล็กดูง่ายเหมือนภาพใส่นิ่งที่เต็มไปด้วยรายละเอียด 6. รู้ว่าจิตเป็นหรือไม่เป็นมหัคตักมหัคตะคือความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิต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 คุณจะรู้ว่าจิตเป็นมหักตะตักเมื่อตั้งมั่นเป็นหนึ่งและสามารถรู้ว่าความตั้งมั่นเป็นหนึ่งนั้นมีขอบเขตกว้างแค่ไหนกระทั่งเห็นชัดว่าความเป็นมหักตะตักก็ไม่เที่ยงตั้งมั่นแล้วกลับคลอนแคลนได้หรือแม้ขณะตั้งมั่นอยู่ก็มีขอบเขตรัศมีต่างๆกันไป